ก็วันน mm hmm. ี้เป็นวันเก็บอารมณ์อีวันเป็นวันไซเลนเดย์เพราะว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทรความงพรใจที่เราทำนี่ก็มากพอเพียงแต่ว่าเราต้องเอาไปทำให้มันเป็นขึ้นมาแต่อยู่กับตัวเองจริงๆ มันจะสัมผัสสภาวะแห่งตัวปัจจุบันได้ไวเพราะฉนั้นตลอดเวลาที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกลบลบนตลอดจิตของเราไม่ค่อยอยู่กับกายร้อยเ์นะก็อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ร0 0เซแต่การมาเข้าฤาษีนี่เราต้องการให้กายกับใจอยู่ด้วยกัน ร้อยปเห้ายความว่าให้มันตรงแนวกายกับใจกายไหวใจรู้กายไหวใจรู้เพี่ยนตลอดเวลานั้นกรรมาฐานส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจหลักของมันก็จะไม่รู้วิธีการตล่มจิตอยู่กับปัจจุบันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ซึ่งเราจะได้เห็น อะไรหอย่างปรากฏผุดขึ้นในกายในใจของเราซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถรักษากายกับใจอยู่ด้วยกันมันจะทําหน้าที่เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใกายในใจของเราอย่างต่อเนื่องตรงนั้นคือการได้เห็นของจริงตลอดเวลาเรามีแต่ไปกับ เวทนาที่มันพาไปความรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วก็พยายามที่จะไม่เข้าไปดูไปศึกษามันชัดชัดจิตของเรามันก็เลยไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันนั้นตัวนี้เป็นตัวที่สร้างสภาวะที่เรียกว่าสติสมาธิปัญญาขึ้นตลอดเวลาคือปรับกายปรับใจ มาเป็นหนึ่งเดียวกันนะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางนี้เราจะทํากรรมฐานไปตลอดชีวิตแล้วก็สัมผัสอะไรไม่ได้ชัดเพราะาเราไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงว่าเราต้องการอะไรเราต้องการดับทุกข์ต้องการพ้นทุกข์ต้องการไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรเหล่านี้ยซึ่งเป็นความอยากเท่านั้น มันไม่ใช่ความจริงสิ่งหลนี้ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องอยากเพเียงแต่เรามาทำแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การปรับกายปรับใจอยู่ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือท่านใช้คำว่าความวิเวกที่เขาเรียกว่า silent historius คือกายวิเวกจิตวิเวกอุปทิวิเวก กายวิเวกหมายถึงเราพยายามที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวให้น้อยที่สุดสงัดกายนะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่สงัดกายจิตก็สงัดไม่ไดนะ้ในบ้านในเมืองเรามีแต่เสียงที่ปรุงแต่งตลอดเวลานะซึ่งจิตของเราก็จะไหวไปตามการกระทบนั้น แต่ถ้าเราฝึกฝนในจุดนี้เป็นประจำจิตของเราก็จะมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อกายกับใจอยู่ด้วยกันแล้วสิ่งลุกกวนข้างนอกก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้ากายกับใจไม่ได้อยู่ด้วยกันเต็มที่สิ่งที่เสียงข้างนอกก็จะเป็นส่วนชักจูงให้จิตได้ออกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นความสงัดภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถกาหนดได้ เพราะว่ามันไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เราจะไปกําหนดได้เสียงคนเสียงคุยกันเสียงสารพัด ท, ที่มันมาแต่ถ้าเราปรับกายปรับใจให้ตรงกันอยู่เสมอเสียงเหล่านั้นก็เป็นศัตรูรูปที่มากระทบหูแต่ถ้ากายกับใจไม่ตรงกันอย่างเต็มที่เสียงเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสมมุติ เป็นความหมายให้เราได้นึกได้คิดได้วิตกกังวลไปตลอดแล้วห น, น้าที่ของเราคือต้องมาทําสงัดจิตตวิเวกแต่กายวิเวกอันหนึ่งที่เราจะต้องไม่มองข้ามก็คือทุกขเวทนาระดับต่างๆที่มันลบ ก, กวนร่างกายของเราเราก็พยายามที่จะทําให้เบาบางเวทนาเบาบางไม่ควาเวทนาใดก็ตาม ที่เราไปแช่ด้วยมันจะก่อให้เกิดความเพลินถ้าเวทนาสุขกเวทนาก็จะก่อให้เกิดความเพลินถ้าเป็นทุกขเวทนาก็ให้เกิดความปฏิฆะไม่พอใจแตนะเราก็จึงแก้ไขเวทนาทั้งสองตัวด้วยคือไม่เพลินแล้วก็ไม่ไม่ปฏิฆะในเวทนาที่เป็นทุกขไม่เพลินในเวทนาที่เป็นสุข พยายามบำบัดให้เวทนาทั้งสองตัวนี้เป็นกลางนะอยู่เสมอเสมอเพื่อให้เกิดความสงัดกายนะคําว่ากายเนี่ยมีสองส่วนกายภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่กายภายในก็คือในส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นในส่วนที่เวทนาคือในส่วนเห็นหยับหยาบคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึง เจ็บปวดพวกนี้เป็นเวทนาถ้ากว่เวทนาตัวนี้รบปวนร่างกายกายเราก็ไม่สงัดเหมือนกันไม่เป็นกายยวิเวกมันมีเวทนารบปวนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือปรับมันเป็นเสียงง น, นหนึ่งเสียงของความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในกายนั่งนานมันก็ปรากฏเดินนานก็ปรากฏปรากฏเป็นเวทนาเย็นแล้วอ่อนแข็งเคร่งตึงในตัวเราเนี่ก็ พยายามให้มันเบาบางหน้าที่ของเราเพื่อให้กายสังัดจาการูปภายนอกและรูปภายในรูปภายในคือรูปของเวทนารูปภายนอกคือรูปของการกระทบนะทีนี้เมื่อเราสามารถปรับได้มันก็เกิดจิตตะวิเวกได้ง่ายจิตตะวิเวกคือจิตของเราสงัดจากความคิดปรุงแต่งนะความคิดปรุงแต่ง ที่มันเข้ามาในรูปแบบต่างๆเราก็พยายามดูอาการของความสงบจิต ท, ที่มันออกมาเป็นเสียงของความสงัดที่พุทญาณท่านตรัสว่านัตทิสันติประหลังสุ ข, ขังไม่มีสุขอื่นใดที่เสมอด้วยความสงัดความสงบดังนั้นเราก็มาดูความสงัดสงบทั้งทั้งสองส่วนทั้งกายทั้งจิตนะ เมื่อสองส่วนนี้มันสงบสงัดแต่ว่าสงบสงัดไม่ได้แบบไม่ได้บังคับแต่ดยการเฝ้าดูศึกษาแล้วก็ปรับเงื่อนไขต่างๆที่มันจะทำให้กายให้ใจกระเพื่อมปรับมันไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ใช่การกดข่มบังคับแต่ใช่การปรับนะทีนี้เมื่อสองตัวนี้ เกิดความสงบสงัดนี้ก็จะเกิดตัวที่3ามเรียกว่าอุปธิวิเวกอุปทิแปลว่าจิตของเราที่มันเกิดคิดปรุงแต่งขึ้นมาโดยเรื่องราวต่างๆอดีตบ้างอนาคตบ้างดีบ้างชั่วบ้างนี่มันก็จะปรุงขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ากายวิเวกก็มีระดับหนึ่งจิตตวิเวกมีระดับหนึ่ง การปรุงแต่งในเรื่องราวต่างๆมันก็จะสงบไปเราพยายามที่จะศึกษาในวิเวกทั้งสามีอยู่เสมอๆในช่วงที่เราดิทรีตเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายของดิทรีตเนี่ยจะกำหนดให้เป็นวันเซนเดย์ที่วันสงัดเราจะพูดกันน้อยที่สุดหรือถ้าไม่จำเป็นไม่พูดเลยถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดเสียงเบา การเคลื่อนไหวก็จะเต็มไปด้วยความนุ่มนวลชัดเจนแล้วก็ระมัดระวังแต่ไม่ถึงกับเกร็งหรือบังคับแต่เป็นการนุ่มนวลอ่อนโยนกายะละหุงตาจิตะละหุงตาทั้งส่วนที่ภายนอกภายในการเคลื่อนไหวก็ลดความเร็วลงนะให้เป็นไปด้วยความรู้สึกตัวชั ด, ชด เพราะฉัในวันนี้เราก็จะปฏิบัติกิจกรรมอันนี้ก็เลยเป็นวันเซเลนเดในพอปรับให้สงบส ง, บสงบัดได้ก็ปรับหลายๆอย่างเช่นการพูดคุยการเปิดประตูหน้าต่างการเดินการจัดอาสนะถ้วยชามต่างๆแล้วก็สังเกตว่ามันจะทำให้เกิดเสียงโดวยวิธีใดบ้าง เราจะทําให้เสียงมันสงัด้วยวิธีใดบ้างศึกษาลักษณะนี้คนจะมีบ่อยๆในชีวิตประจำวันของเราเพื่อเราจะได้อยู่กับตัวเองชัดๆการได้อยู่กับตัวเองอย่างนี้บ่อยๆนั่นเองเรเียกว่าเป็นตัวที่จะนําเข้าสู่ตัวสภาวะธรรมได้โดยง่ายเรียกว่าสร้างเหตุปัจจัยให้มันเอือ้อต่อการที่จะเข้าสู่ประตูแห่ง เศรษฐธรรมแค่นะนั้นเองถ้าเราไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อันนี้เราก็จะอยู่กับตัวเองไม่ได้ตลอดเวลาที่เราเป็นทุกข์มีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะเราอยู่กับตัวเองไม่ได้แเราพยายามหาเหตุปัจจัยต่างๆมาห้อมล้อมตัวเองพราะเราไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวความสงบสงัดเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยก็ถูกปัจจัยทั้งหลายที่จะ ม า, าปรุงแต่งเป็นที่พึ่งเนี่ยมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปภาระในการแสวงหาก็น้อยลงไปนะเพราะนั้นเป็นเขาเราว่าเป็นความสุขขั้นสูงขั้นประณีตของผู้แสวงหาเพราะอย่างน้อยพวกเราก็มีประสบการณ์ฝักไฟในทางนี้เป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทําเรื่องนี้ก็จึงไม่ใช่เรื่องที่ ตรงนข้ามแต่เป็นเรื่องที่เป็นเส้นทางของเราต้องการเดินอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของความสมุบสุขที่แท้จริงซึ่งเราก็จะต้องพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่จะเอื้อต่อความสมุบแบบนั้นนะเพราะเราทั้งหลายนี่ได้เวียนว่ายตายเกิดมากับความไม่รู้มานานเหลือเกินนะแต่ามาถึงพพชาตินี้เราก็ได้มีโอกาสมา พบกับเงื่อนไขที่เอื้อต่อการทาอย่างนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ถูกต้องที่สุด อ, อันไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็ช่วยกันหาเหตุปัจจัยเงื่อนไขดูซึ่งในโลกทั่วไปเนี่ยเราก็จะไปกังวลก็เขาไม่ได้ว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้เพราะสร้างเราสร้างเงื่อนไขามาไม่เหมือนกันนะสร้าง เหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันเราก็จึงมาทำเฉพาะตัวของเราที่มีความพร้อมมากกว่าไปก่อนประชาชนคนอื่นที่เขายังไม่มีความพร้อมก็ปล่อยเข้าไปแต่เรามีความพร้อมสูงกว่าเหมือนกับเราจะเดินทางไปสู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเรามีวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นตั้งหลายวิธีโดยการเดินบางโดยการ ใช้จักรยานบ้างด้วยการใช้เกวียนบ้างการใช้จักรยานยนต์บ้างใช้รถเก๋งใช้รถบัสนะแม้กระทั่งใช้เครื่องบิน ter, เฮลิคอปเตอ ร, ร์เครื่องบินโบอิ้งธรรมดาเครื่องบินเจ็มันมีทั้งหลายระดับที่เราสามารถจะเลือกได้นะเพราะนั้นเราต้องการไปสู่เป้าหมาย การเป้าหมายที่ไปสู่ในที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการเดินทางแบบทางกายแต่เป็นการเดินทางทางจิตการเดินทางทางจิตคือการรู้สึกตัวนะเมื่อใดกายกับใจมาร่วมกันการเดินทางทางจิตก็เริ่มขึ้นเมื่อใดกายกับใจแยกกันการเดินทางทางจิตก็ชะงักลงจะเป็นอย่างนี้เสมอตามโกฎของมันเหมือนกับไฟ ขับวกขัลบแต่เมื่อใดเข้าไปด้วยกันทั้งสองขัวเมื่อ น, นั้นก็เป็นการเดินทางของแสงสว่างแต่เมื่อใดขัวบวกโค้วลบมาทํางานร่วมกันแสงสว่างก็เดินทางไปไม่ได้ขับวกคือในส่วนที่เป็นนามขัวลบในส่วนที่เป็นรูปทําไมจึงสมมุติในขั้วที่เป็นรูปเป็นลบเพราะว่ามันอยู่ในอํานาจของมนิจจังหรืขันัตานาม มันเป็นโควบวกเพราะเขาอยู่เหนืออำนาจของอนิจจังทุกของอนัตตาเพราะนั้นสองกระแสนี้มาพบกันนั่นหมายถึงจิตย่อมดำเนินไปสู่ทางที่สว่างเหมือนจะสายไฟสองขั้วมาพบกันก็เกิดแสงสว่างนั่นเป็นการเดินนะดังนั้นการเดินทางภายในจึงการือเป็นการร่วมกันกระแสของรูปของนามกระแสของส ม, มุติปรมัตย์ ในสัดส่วนที่พอดีนะในสัดส่วนที่พอดีแต่สุวรร น, นี่เราเอียงไปในข้างรูปมากไปเอียงไปในข้างส ม, มุติมากเกินเพราะนั้นเราจึงมาสร้างมากาหนดมาศึกษากระแสของนามคือความรู้สึก ต, ตัวความรู้จักความเข้าใจความเห็นแจ้งความสงัดตรงนี้เป็นกระแสของนาม ก็พยายามพ่อคูณกระแสนี้ขึ้นมาให้มันมากขึ้นเพื่อจะดลดความรุนแรงของกระแสรูรปรงมาให้สมดุลที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาแล้วนั่นเองเราก็พยายามศึกษาทั้งสองส่วนในกายของเราส่วนไหนที่มันไม่นําไปสู่ความสงัดวิเวกเราก็าแก้ไขแก้ไขจนสุดฝีมือนะ ยังเมื่อวานมันมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศเอามาไปทุลักข้างนอกมาแล้วกลับมาเหมือนจะเป็นไข้อากาศมันเปลี่ยนแปลงไวมากเพราะอะไรก็ามาสํารวจดูเงื่อนไขว่าเออร่างกายเวทนาไม่สงบเพราะอะไรถ้าเราอยู่ที่นี่หลายวันบรรยากาศตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ร่างกายก็ปรับพอไปข้างนอกปับอะไรเงีบรรยากาศมันไหล บรรยากาศก็ร่างกายปรับไม่ทันก็เลยรู้ว่าความร้อนเข้าไปสู่ตัวเยอะเราอยู่ที่นี่มีความเย็นสบายพอข้างนอกมันมีอะไรแล้วร้อ น, อนหลายอย่างเมื่อความร้อนมันเกินมันกระแสของรูปมันจะออกมาเป็นความร้อนที่เป็นทุกขเวทนาก็เราหาวิธีแก้ไขให อ, ออกไปนะซึ่งก็ทําหลายๆวิธีตามหลักของแพทย์ทางเลือกก็ทําได้สําเร็จโดยที่เราก็ไม่มีทุกขเวทนา บีบคั้นมากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้เราจะต้องหาความรู้และวิธีการที่จะบำบัดความไม่สงัดไม่วิเวกของกายของใจเนี่ยตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุปัจจัยอื่นแต่พยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดพึ่งพาธรรมชาติที่มันมีอยู่ในตัวของเราในการรักษาตัวมันเองให้มากที่สุด เพื่อเราจะได้ลดภาระการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือเดือดร้อนรบกวนผู้อื่นไดนะ้ซึ่งมันจะสร้างเงื่อนไขและความกระเพื่อมให้กับกายกับใจได้ง่ายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตถ้าหากว่าเรามีความฝักใฝ่ศึกษาเรื่องนี้ก็เรื่องนี้คือความเป็นสงบความเป็นสุขที่แท้จริงที่เราโลกุตระรำดังนั้นเองก็เรามีโอกาส วาสนาในการมาศึกษาเรื่องนี้ก็ต้องทำให้ดีที่สุดอืส่วนเงื่อนไขของชีวิตต่างๆที่เขมาเกี่ยวข้องเช่นว่าเราจะต้องมีครอบครัวผัวเมียต้องมีทรัพย์สมบัติต้องบริหารต้องมีบุคคลเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้เราก็เกี่ยวข้องในในอวิธีทางที่เรารู้อยู่แล้วเรา จ, จัดการไปอย่งเหมาะสมมันก็จะทําให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เกิด โลกุตละปัญญาตรงนี้การไปเกี่ยวข้องกับโลกเราก็าเกี่ยวข้องมันไม่ถูกมันก่อให้เกิดความทุกข์ความยุ่งยากหลายๆอย่างตามมาแต่ถ้าได้โลกุตละปัญญาตรงนี้เราไปจัดการตรงนั้นได้ง่ายอืมเพราะว่าเราเห็นเราเห็นปัญหาทุกอย่างควรจะแก้อย่างไรเพราะจิตกายกับจิตของเราเนี่ยถ้ามันสัมพันธ์กันได้แล้วมันสามารถรู้ความเป็นจริงของโลกได้ไม่ยากแล้วปัญหาภายนอก เ, เป็นหาเรื่องหยาบหยาบ จะมองเห็นได้ง่ายว่าคนจะแก้อย่างไรถ้าเราได้เห็นกายเห็นใจตัวเราเองจริงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงประกาศตัวเองว่าท่านเป็นโลกาวิทูผู้รู้แจ้งโลกเขารู้แจ้งกายรู้แจ้งใจของตัวเองนี่แหละนะไม่ใช่โลกที่ไหนรู้แจ้งจักรวาลกายใจรูปนามของเราเนี่ยเป็นนะเป็นส่วนย่อของจักรวาล เป็นส่วนย่อของโลกอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่หมดถ้าเรารู้กายรู้ใจของเราทุกส่วนเราก็เหมือนรู้โลกนะรู้โลกทุกส่วนเพราะตัวนี้คือโลกแลจะจักรวาลจำลองที่อยู่ที่ตัวเราหมดเพราะฉะนั้นเราจะรู้โลกภายนอกอก็มองออกไปถ้ารู้โลกภายในก็เรามองกลับเข้ามาดูตัวเองถ้ารู้หนึ่งเดียวนะมนจะรู้ทั้งหมดนะคือรู้กายกับใจของเรานี่แหละแต่พยายามรู้รู้แบบ ตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้เข้าไปแบบคิดวิจัยวิจารไม่ใช่แต่รู้ตามที่มันปรากฏแต่ว่าในส่วนปรากฏเนี่ยมันจะมีสามส่วนหลักๆคือส่วนเหตุต้นส่วนกลางและส่วนหยาบอย่างสมมติว่าเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดหมายความปรากฏเป็นส่วนหยาบลวแต่ส่วนหยาบนก็เป็นลูกคลื่นที่ส่งมาส่วนละเอียดและส่วนกลางนั่นเอง พอเราเราปรับเอาส่วนหยาบออกไปปั๊บส่วนหยาบที่หายไปเรามีสุขเวทนานิดหนึ่งไอ้ตัวสุขเวทนาที่ปรากฏนิดหนึ่งเป็นคลื่นของความทุกข์ส่วนละเอียดละ่ะพอเราทิ้งระยะไปสักพักหนึ่งไอ้ส่วนละเอียดตัวนั้นก็จะขยายตัวเป็นคลื่นระดับกลางแล้วก็พอทนได้พอขยายตัวเป็นคลืนระดับหยาบแล้วเราทนไม่ได้แล้ ว, ลวก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย แต่เราเวลาจะเป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นเองถ้าเราไม่ศึกษาไม่สังเกตนะเราก็จะเห็นระดับคลื่นของความสุขความทุกข์ทั้งสามระดับที่ไม่เห็นซึ่งเราก็จะวิ่งวุ่นหาแก้ไขความสุขความทุกข้างนอกแต่ความจริงเหตุของสุขของทุกข์ที่แท้จริงมันเกิดจากตรงนี้เองเกิดจากการขึ้นแห่งความเปลี่ยนแปลงขึ้นของอนิจจังคลื่นของทุกขังคลื่นของอนัตตาซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักอันนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรม มันจะเข้าใจได้ไวเพราะาตลอดเวลาเราทําได้มันอยู่ที่ความเข้าใจถ้าถ้าเรามีเงื่อนไขว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเรายังไม่เข้าใจใเองเพราะฉะนั้นในมัคมีองค์8ท่านจึงเน้นในองค์ของสัมมาทิฏฐิสัมม า, ส, มมาสังกรประไว้ก่อนคือต้องต้องเข้าใจให้ถูกต้องคิดให้ถูกเกี่ยวกับรูปนามอันนี้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นอะไรต้องการให้เขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ นะต้องการไม่ค่อยสงบดูไม่สงบก็แน่นอนว่นไม่มีใครต้องการทุกข์ไม่มีต้องการไม่สงบต้องการสุขสงบต้องการไม่ทุกข์ท่านั้นแหละแต่ทําไมาเราจึงมักได้รับผลตรงกันข้ามเพราะเราจัดการไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกคิดไม่ถูกนั่นเองนั่นแหลหลักพุทธศาสนาที่แท้ จ, จริงแล้วจะเริ่มต้นด้วยปัญญาหลักของสมาธิและสมาสังกปะเป็นหลักของปัญญานะสมา กัมมันตาสมาวาจารสมาอาชีวะนี่เป็นหลักของศีลสมาวายามาสมาสติสมาธิเป็นหลักของสมาธิเพราะฉะนั้นในหลักปฏิบัติจริงๆนั้นท่านเรียมปัญญาศีลสมาธิไม่ใช่ศีลสิ่ที่ปัญญาแล้นั่นเองที่เรามาฝึกตัวรู้สึกตัวนี่ก็มาฝึกปัญญานั่นเองตัวรู้นี่เป็นปัญญาเป็นปรมตฝ่ายปัญญา และตัวรู้นี้มีความเข้มข้นมีความละเอียดประณีตมีความแหลมคมมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถเข้าไปรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆของรูปของนามนะจากเมื่อก่อนเราเคยสังเกตแต่ในส่วนที่หยาบหยาบเราแก้ไขที่ปลายเหตุแต่พอเราฝึกตัวรู้ตัวนี้และตัวรู้ตัวนี้มันจะปรากฏชัดก็ต่อเมื่อกายกับใจมาอยู่ ร่วมกันเท่านั้นถ้ากายกับใจอยู่คนละทิ่ละทางคือหมายความว่ากายเราอยู่ตรงนี้ใจเราลอยไปคิดที่อื่นไอ้ตัวรู้ตั ว, ต ว, ต ว, ตวนี้ก็จะไม่ปรากฏเหมือนไฟกระแสะลบกระแสะบวกไม่มาบรรจบกันแสงสว่างก็ไม่ปรากฏกายกับใจถ้ามัน อ, อยู่ด้วยกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แสงสว่างก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่หมายถึงมันครบวงจรที่จะไม่เกิดตัวรู้ แต่ถ้ากระแสรูกกระแสนามมันไม่ครบวงจรตัวรู้ของเราก็จะเฟดจะฟอจะเบาลงไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องปรับกายกับใจแล้วไอ้ฉันก็รู้สึกตัวอยู่นะฉันก็คิดอยู่นะมันหม่เควาว่าถ้ารู้สึกตัวจริงๆแล้วเนี่ยความคิดปรุงแต่งมันจะอยู่ไม่ได้แต่ในกรณีที่เราจะเป็นต้องคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่อง ธุรกิจการงานต่างๆถ้ากายกับใจมาร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความคิดแต่มันเป็นความรู้ที่เรียกว่ายานปัญญาเหมือนกับเราจะหาของเนี่ยถ้าหากไม่มีแสงสว่างแล้วก็คลำหาถูกบ้างผิดบ้างแต่ถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นเราไม่ต้องคลำเราเดินไปหยิบเอาเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเมื่อกายกับใจรูปกับนามมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็เกิดแสงสว่าง เพราะนั้นเราจะคิดแก้ปัญหาอะไรเราจะคิดแก้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนั่นคือยานปัญญาไม่ใช่ความคิดมันต้องแยกแยกกันให้ออกตรงนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็ใช้ความคิดเพราะว่าไม่มีแสงสว่างเขาทาให้แก้ปัญหาถูกบ้างผิดบ้างแล้วบางทีก็ผิดไปไกลเหมือนเราหาของในบ้านเราบางทีเราคุ้นอยู่แล้วนะแต่เวลาไม่มีไฟเราห า, หาไม่เจอเลยทั้งที่เราคุ้นอยู่แต่เปิดไฟขึ้นปั๊บนี่เราก็หาง่ายเพราะด้านกระแส กายกระแสใจรูปกับ น, นามมาร่วมกันปั้บแสงสว่างคือตัวรู้นี้จะเกิดขึ้นทันทีส่วนระดับตัวรู้นี้จะแหลมคมละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนขึ้นอยู่กับความแนบสนิทของรูปกับนามกายกับใจถ้ามันไม่แนบสนิทกันเท่าที่ควรกระแสนั้นก็จะไม่แรงพอจนกระทั่งว่าแนบสนิทกันเป็นหนึ่งเดียวนะดังนั้นกิจของเราก็คือพยายามปรับ รูปกับนามกายกับใจให้อยู่ด้วยกันสนิทเสมอแล้มีอะไรที่จะต้องดึงความสนใจออกไปนอกตัวเราเนี่ยเราก็ต้องอกําหนดรู้ให้ชัดๆเมื่อกำหนดรู้ชัดแล้วสิ่งที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบมันก็เป็นแรงของแสงสว่างคือยานปัญญาไม่ใช่แรงของตัณหาหรือความอยากไม่ใช่ความอยากที่จะรู้ขึ้นมา แต่ว่ามันรู้ด้วยความเป็นจริงของมันเองซึ่งตรงนี้ที่หลวงพ่อเทียนท่านใช้คำว่าหูทิพตาทิพน์คือมันรู้ของมันเองบางครั้งปัญหาบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องไปคิดมันรู้ของมันเองว่ามันควรจะเป็นอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หลักของไซคโครดิชไม่ใช่หลักของจิตวิยาแต่มันเป็นหลักของการรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้แจ้งอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาซึ่งไปกว่าทางด้านปรัชญาและจิตวิยาคนระดับ เพียงแต่เรามาปรับเงืเ่อนไขตัวนี้ให้ให้ถูกต้องให้ชัดเจนเท่านั้นเองเพราะนั่นเองถ้าหากว่าเราจะอยู่ในชีวิตนี้อย่างสงบสงดัดแล้วก็สว่างก็ต้องใช้เงื่อนไขนี่เงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้คือเงื่อนไขของสติปัฏฐานสนีะ่เงื่อนไขสติปัฏฐานสี่ก็จะทำให้เราเข้าสู่หลักเกณฑ์อันนี้ได้โดยไม่ยาก มั่นเพียงแต่ว่าเรามีศรัทธามีความเพียรในการที่จะทำในศรัทธาความเพียรนี่ก็เราก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะที่จะปรับให้กายกับใจของเราเนี่ยใช้ศรัทธาและความเพียรเมื่อกายกับใจอยู่ร่วมกันสนิทสนุมนั่นหมายความว่าสติสมาธิปัญญาก็ทํางาน นะการที่จะปรับทั้งสามส่วนคือสติสมัริปัญญาให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นหมายความว่าเราต้องมีศรัทธาและความเพียรเป็นตัวจัดการถ้าเราไม่มีศรัทธาและความเพียรเข้มแข็งหรือถูกต้องพอตัวสติสมาธิปัญญาซึ่งเหมือนแสงสว่างเนี่ยก็ยังทํางานไม่เต็มที่ของเขานังนนั้นเองอันนี้ก็หลักการอันนี้เราฟังกันมาหลายที่หลา ย, หลายแห่งหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบซึ่ง หรือลึกซื้อเพียงพอเพราะว่าเรายังไม่เข้าไปพิสูจน์ยังเต็มที่แต่ถ้าเราพิสูจน์ตรงนี้เต็มที่แล้วเนี่ยหลักการกรรมฐานอาจารย์ไหนก็ตามก็จะมาสู่จุดเดียวกันเท่านี้ไม่มีจุดอื่นแต่ผิดพลาดจากจุดนี้ไปก็ไม่ถูกต้องนะไม่ใช่เพราะอันนี้เราว่าตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงทรงค้นพบและแสดงมานะ แล้วก็ต่างคนก็ไปต่างไปพิสูจน์คําสอนของท่านแล้วพิสูจน์ออกมามันก็ได้ผลแบบเดียวกับท่านแล้วก็นํามาบอกกันตามประสบการณ์ไม่ใช่จํามาบอกนะว่ามันเกิดอย่างไรวิธีการของแต่ละคนที่มันจะเกิดเรื่องนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลักการนั้นเดียวกันนะอย่างเช่นการปรุงอาหารหลักการคือต้องการทานให้อิ่มแต่การปรุงอาหารแต่ละอย่างแต่ละชนิด แต่และ ว, วิธีการอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันการที่ทำตัวสติสมถิปัญญาให้เป็นหลักของจิตเนี่ยเราก็อาจจะทำได้หลายวิธีการแต่ในที่นี่ที่เรามาทำนี่คือใช้หลักวิธีการอันนี้คือหลักของพู้เทียนคือปรับศรัทธาและความเพียรให้มีพลังเราก็ใช้ระยะเวลา ไม่นานก็สัมผัสสภาวะเหล่านี้มากบ้างน้อยบ้างตามความสามารถของแต่ละคนที่สามารถปรับได้ปรับกายปรับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยปรับอย่างถูกต้องเน้นความถูกต้องปรับอย่างถูกต้องคือไม่ไม่ใช่การเป็นการเพ่งหรือบีบบังคับหรืออยากแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาเป็นการทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดความ เข้ากันได้อย่างถูกต้องระหว่างกายกับจิตแต่ถ้าเมื่อใดเรามีการฝึกฝนไม่มีการปฏิบัติถ้าเราจะเป็นต้องใช้กายกับจิตเราก็ใช้วิธีการบังคับเพราะงั้นไม่ไม่ทันการแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนเรื่องนี้อยู่เสมอนั่นไม่ต้องใช้วิธีการบังคับเพราะมันจะมาอยู่ร่วมกันเพราะความเข้าใจเพราะเห็นประโยชน์เราจืการมีการปรับกันตลอดเวลาปรับกายปรับใจให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ตัวนี้ชัดเจนเราจะใช้ทีแล้วก็ปรับทีหนึ่งมันไม่ทันการหรือทันแต่ว่ามันไม่สว่างสวายเพียงพอตามที่เราต้องการแต่เราปรับตลอดเวลาปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกับคนจุดไฟหุงข้าวนึ่งข้าวหรือต้มแกงถ้าเขาติดไฟขึ้นแล้วนี่เขาเอาใจใส่ไฟตลอดเวลาหม้อข้าวนั้นก็จะสุกไว เพราะว่าความสม่ำเสมอของกระแสความร้อนเพียงพอแต่ถ้าหากว่าเราติดไฟหุงข้าวต้มแกงแล้วเราก็ไปทำธุระอย่างอื่นโดยที่ไม่เอาใจใส่ตรงนั้นกลับมาไฟมันก็ดับระยะเวลาของการสุก ข, ของข้าวก็ยืดออกไปเรื่อยๆหรือบางทีไม่สุกชั้นใดก็ดีถ้าเราปรับกายกับใจอยู่เรื่อยๆ ปรให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เรื่อยๆมีเหตุปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถทํางานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาปรับเพราะเราปรับอยู่แล้วตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในชีวิตวันของเราก็จะใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลซึ่งมันจะไม่มีความทุกข์หรือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นความทุกข์และปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้โดยง่ายอย่างน้อยที่แล้เกี่ยวข้องกับผู้อื่นสิ่งอื่น เราอาจจะแก้ไขไม่ได้ทีแต่ยเราแก้ไขใจของเราได้ด้วยการปล่อยวางในสิ่งนั้นเราจะแก้ที่เราด้วยกันปล่อยวางอันไหนจัดการได้ก็จัดการไปอันไห น, นจัดการไม่ได้มันอยู่นอกเหนืออำนาจของเราจัดการเราก็ปล่อยวางได้ง่ายอันนี้คือประโยชน์ของการฝึกฝนแบบนี้เพราะฉะนั้นเองวันนี้ขอกำหนดเป็นวันไซเรนเดย์เป็นวันสงัดจดละลดการเคลื่อนไหวของเราที่มันดังให้น้อยลง การพูดของเราที่มันดังและไม่จําเป็นให้น้อยลงนะแต่ในที่จําเป็นแล้วก็พูดกันค่อยๆเบาๆพอสําเร็จประโยคท่า น, นี้เราจะต้องเข้ามาศึกษากายศึกษาใจของตนเองให้ละเอียดประณีตขึ้นเพราะระยะเวลาที่จะเรามาทําอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายโอกาสที่จะมาทำเงี้ยโอกาสทำได้ยากมากแต่นี่เมื่อมันทำได้ยากยานี้เราก็คนทำให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดเพื่อ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำนี่เราสามารถที่จะใช้ได้ตลอดชีวิตของเราลงทุนครั้งเดียวใช้ไปได้ตลอดชีวิตมันดีกว่าที่เราลงทุนจะใช้แต่ละครั้งก็ลงทุนครั้งหนึ่งบางทีแล้วไม่มีความพร้อมเพราะเราสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสถานการณ์ของชีวิตสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในทางที่ไม่ดีมาถึงเราเราก็เกิดความทุกข์เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวแต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นเรารับได้ทั้งนั้นเพราะเราเตรียมไว้แล้วเพราะรู้ว่าโลกนี้จั ก, กรวาลนี้มันเป็นรูปที่จะต้องเปลี่ยนไปตามกฎของมันก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เตรียมนามของเราตั้งรับเสมอ เตรมสติสมาธิปัญญาเนี่ยตั้งรับไว้เพราะฉะนั้นความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงของโลกก็ไม่สามารถที่จะมาทําร้ายหรือทําให้เราเป็นทุกข์ได้แล้วก็เหมือนกับเรานั่งเรือไปบนฝั่งหรือเขตมลสมุนที่ร้ายกาจแต่เราอยู่ในเรืออันใหญ่เราก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเรือหรือเรือเราเล็กเกินไปอ เมื่อมาลอยสุมแล้วก็คลื่นมาแล้วก็มีความวิตกกังวลก็หวาดกลัวเพราะนั้นเราจําเป็นต้องสร้างเรือคือใจของเราที่มีความมั่นคงความเข้มแข็งด้วยความสงบสงัดเดรัจฉานของสติสัมผัสปัญญาให้เข้มแข็งให้ใหญ่เอาไว้เมื่อเกิดอะไรขึ้นนี่สามารถตั้งรับได้สบายนั่ น, นคือเป้าหมายของเรานะเราจะเรียกว่ามรรคผลวิภานก็แล้วแต่แล้วมันจะเป็นต้องเรียก จะเรียกว่าเป็นภาวะชีวิตที่เราเข้าไปอยู่แล้วมันไม่ทุกข์นะอันนี้คือเงื่อนไขที่เราทั้งหลายต้องศึกษาและสังเกตในวันนี้นะซึ่งก็ในตามธรรมเนียมของเราหลังจากที่เราเก็บอารมณ์มาสามสี่วันวันสุดท้ายก็เก็บอารมณ์เข้มเข้าไปอีกนิดหนึ่งกำหนดให้เป็นวันเงียบแล้วก็จะทำกันไปจนถึงช่วงเย็นนะ ดัะนั้นในช่วงช้านี้ทำความเข้าใจในเรื่องประโยชน์อ น, นิสงส์วิธีการข อ, ของวิธีการทำอย่างนี้ให้ชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะทำได้ดีนะแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยแต่ในช่วงที่ทำในะช่วงต่อรวษที่เกิดความลังเลสงสัยอะไรขึ้นมาปั๊บก็ถามใดถามได้เลยนะหัวอาจารย์ไม่ว่าตมาอาจารย์คปิตก็อยู่ไกล้อย่างนี้ก็มีอะไรก็ ถามเฉพาะที่จําเป็นในขณะนั้นไม่ได้ถามเรื่องอดีตอนานะคตถามเรื่องที่สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันแต่เราแก้ไม่ตกหรือไม่เข้าใจมันก็ก็ถามได้แต่คนที่จะเฉพาะสิ่งที่เกิขดขึ้นขณะนั้นๆเท่านั้นเพื่อที่จํากัดเวลาให้เรามาอยู่กับตัวเองให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราอยู่กับสิ่งอื่นคนอื่นมาแทบตลอดชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองอย่างจริงจัง เพราะนั้นวิธีการปฏิบัตินี้จะสอนให้เราอยู่กับตัวเองอย่างจริงจังอย่างเข้าใจแล้วการอยู่กับตัวเองตัวนี้ก็จะกลายเป็นชีวิตใหม่เป็นนิสัยใหม่ของเราที่เราจะพึ่งพามันได้ตลอดชีวิตแล้วก็ฝึกฝนเรื่อยๆอันนี้เป็นในสนามฝึกให้เราทำในสนามฝึกแต่ในชีวิตจริงของเราเราจะต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเราจะทา ได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราได้ฝึกฝนวันนี้เราเข้าใจดีไหมแล้ว เ, เข้าใจดีเราก็สามารถนําไปใช้ได้ดีนะแต่เข้าใจไม่ดีหรือเราไม่เห็นความสําคัญมันก็หดหายไปในเร็ววันนะมันก็ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปนะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เราเดี๋ยวเรากลับภาพพร้อมกันแล้วเราเออกปรเด็โจงกระจนก็ จ, นนจะถือเวลาชั้น